หล <c oughs> ังเต็มกันเลยน้องตาก็อยากบอกอยากสอ น, นะนมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้มี อ, <c oughs> อ, อาจารย์หลายรูปอื้อ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 แล้วก็มีเพื่อนมีมิตรก็ยิ่งดีใหญ่เหมือนพวกเราเนะี่ยเดินตามรอยอยุคนบอดไปด้วยกันสังฆสงฆีพิจุนีวาสกปปิกาลอยพระติเจ้าไปดีแน่นอนเลยล่ะต้องผ่านตรวไหนแล้วก็ผ่านเหมือนกัน เมื่เราไปอยู่อยู่ที่นี่ไปทางไหนก็ไปด้วยกันก็ผ่านมันกันหมดก็มทมสงสารวัดแต่สงสารเหมือนกันเคยทุกเคยหลงเคยโกรธเคยวิตกกังวลเศร้หมองเคยรักเคยเกลียดชังเคยผิดเคยถูกเหมือนกันหมดไม่ต่างอะไรกันเลยเฉยๆพระความรัก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 เพราะหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยทำหน้าที่เหมือนผู้ที่เจ้านะพระเจ้ากับพระสงฆ์มีหน้าที่เม ห, ม, เออหนน ม, มือนกันพระเจ้าตัดสินเองโดยชอบบงสอนผู้ใหนรู้ตามพระสงฆ์คือหมู่ชนผู้ชอบฟังคําสอนพระเจ้าแล้วออกบวทตามทํำในในสอนคนอื่นให้รู้ตามเหมือนกันถ้าพระสงฆ์รูปใดไม่สั่ไม้สอนน่ะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นสง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 ตายทิ้งไปเปล่าๆตัดชักโลก่เฉพาะตัวเองไม่มีประโยชน์ในโลกทุกวันนี้อดีตก็ดีอดังคตก็ดีปัจจุบันก็ดีมันก็เห็นกับหูกับตาล้วอยู่แล้วอะไรที่มันไม่ถูบไม่ชอบเราก็เห็นกันอยู่ในตัวเราก็เห็นในโลกก็เห็นนี่ว่าทีา่ ป, ปิตาย อัตตาทิ่ไตงองตนก็เห็นโลกาทิพยไตงองโลกก็เห็นมาที่พุ์ไตเพื่อทำจุดหมายปลายทางของควิตของคนเราในเพื่อทำจริงๆถ้าไม่เพื่อทำนั้นไม่ประโยชน์น่าเสียดายที่เราเกิดมาแน่จึงกระตือรื้นมากให้ช่วยกันเถอะ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 ในบริเวนวันตีไปก็ตีแล้วนั้นตีไปที่นี่ตีไปเดินไปบ๊อบบ๊อบบ๊อบแต่เราเป็นเช่นนั้นบ้างก็ดีนะไอ้สมขึ้นไอ้ตีอาทางที่วันดอกตีมาซะต้อก็มาสางที่วันตก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 นักขัดตังปฏิมาเน้นตังอธุวะชังนุปจฉาการนี่ทำอะไรอยู่นั่นก็ บ, บอกแม้แต่บวชพระสงฆ์ใหม่เรียกว่าบอกุฤาษีนั้บบบนหมายเป็นนักบวชเราต้องบอกฤาษีทันทีเลยตาวายเทวานี่กระทังปฏิมานัานตัง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 ชาวิวาชีอเมโตวังอาทิตย์บังทิ ว, สวาสวัสโอาทิตย์โปจัตตาราน้จัตตา น, ตานิดูลืกดูคนดูทิศดูทางดูการเวลาให้รู้จักไม่ใช่หลับไหลแล้วรู้จกใครเออเราเจ้าจะมองเห็นชาวบ้านมองอุปนิัยของคนที่อยู่ชาวบ้านที่เป็นอย่างไร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 แต่ไม่เข้มแข็งในจิตวิญญาณของเราเมื่อเราก็เอาอย่างด้วยเอาอย่างพูดนำมีพูดนำํำมีพูดตามด้วยถักเป็นผูน้นําเสนอตัวเราบ้างอย่าไปเป็นเฉยหนา้าวุจิกาตามแต่คนอื่นจะมอไปเสนอตัวเราบ้าง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 เป็นคนดีของที่องลอง <c oughs> เสนอขึ้นมามีกำลังใจมันจะบํางัดไม่ได้เมื่อเขาประมาทเราก็ไม่ประบาทเพราะเราเสนอตัวเราแล้ว <c oughs> ตรงหุวแล้งไม่เป็นแรงตรงกาไม่เป็นกามันคงเสมอฉีดเส้นเอาไว้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 แล้วก็ได้มีอะไรที่ที่ที่เป็นตาประทับเคยเคยเคยได้คิดอย่างนี้นะตอนเราใจตายใจจะขาดหายใจไม่ได้นะแล้วก็ไม่หายใจงหงอมันละยู้ิดเฉยนี่แหละเราคิดลองคิดดูที่อะไรนะไม่เคยปเป็นแบบทำกรรมกับใครไม่เคยทำใใครเดือดร้อน ไม่เคยทำบาปทำกรรมไม่เคยทำไม่เคยเดือดร้อนสบายสบายไม่มีความเกลียดชังผู้ใดไม่มีอิจฉาให้บาทผู้ใดมีแต่คิดจะช่วยคนอยู่เสมอเนี่ยมันเลยสบายสบายก็เลยบอกตัวเงว่าอมันสบายตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรตัวเนี่ยแล้วแล้วอยู่ตรงไม่มีอะไรน่ะอยู่นี่แหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร แต่นาไหนคืโอเขโใส่ ย, ยาสลบหรือเปล่าก็ตายไปเลย ไ, ม, ไ, ม, ล <c oughs> ไ ม, ยม่ไม่รู้เลยนอกจากมันมีเลนนะมีตานะปะทับไปในหัวใจของเราเรามีสติเดี๋ยวนี่มันจะไม่ลืมมันก็นไปรีบดีแนะ่นะ้อยน่ะแป๊บแป๊แ ป, ป, ปตามไปเถอะอย่าพบถางออก <c oughs> อย่าประยอมอยู่ในความ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 นักน่านักซื้อเพียงบริษัทโตโยต้าทั่วโลกเรียกรถโตโยต้าคืนหลายล้านคันไม่มีจุดอ่อนเราจะไปเจื่ให้แต่บางคนเกิดอุัติเหตุ <c oughs> เครื่องรถไม่เลี่ยงมันเล่งไปเองเครื่องรุนวิ่งไปมันดับพันทีเนี่ยมีอะไรทิข่ขัดทำให้เกิดอุัติเหตุ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 ถึงอะไรมงกุฎ ธ, ธรรมด้วยอาไทยเหมือนใจถึงถึงอะไถึงควาไม่เป็นอะไรอะไรนานาสุจยอดมองกุฎ ธ, ธรรมอาไทยถึงกวาไม่เป็นอะไรมงกุฎ ธ, ธรรมที่สูงสุดทําไม่แล้วจึงไป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 จงมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้ความพอใจความไม่พอใจเป็นลสของโลกถอนลงมางงาสามีสติแล้วเลยอยู่อือะไรที่มันเกิดพอใจไม่พอใจถอนออกมาอย่าไปสยบจุกับมันนีไหมถ้าพอใจมีไหมไม่พอใจไม่ไมั้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 ตนสอนตนมีสตินี่แหละเป็นกุญแจดอกเอกเวียนไล่ทุกข์นี้ <c oughs> ใจสติเป็นสากลว่าจะให้อาจารย์สรงข์ินทำรูปสติเออทำรูปกุญแจไว้ชักดอกเด่งที่สวนทม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 เป็นอุปมาอุปมล้อย่างเกี่ยวกับช่างอย่างโดยทประธานสี่เหมือนรอยเท้าของช้างโอยเท่าสัตว์เดินน้อยกว่าเล็กกว่ารอยเท้าของช้างโดยเท่าสัตว์เดินเอามารวมลงที่รอยเท้าของช้างได้ทุกสัตว์ทุกประเภทเพราะรอยเท้าของช่างมันใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์เด่น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 ผู้แขนเข้าเยอะแขนดอกเนี่ยไอมีแขนอยู่ที่นี่โยมมีบ่ลำไปมากมีแขนไหมโยมแขนัวาขึ้นหน่อยชิ้แขนขวานะกำดูกำดูกำมือดูลูสสกตดวงไหมเออแขน กำรู้เหยียดรู้กำรู้เหยียดรู้เนี่ยนี่พระเจ้าอ๋อตัวนี้มันตํำลางนี่มันกู้แขนเข้ารู้จึเหยียดแขนออกรู้สึ ก, กเนี่ยนี่เลยสติปัญญาสี่ลอยถ้าของช้าหรือว่าทั้งหมดแล้วถ้าท่านรู้อยู่ที่กายของเราเวลาใจไม่คิดไปรู้เนี่ยมันก็มีแค่นี้ปัญหาเกิดจากสองอย่างนี้ คือกายคือใจมันไม่มากถ้าเราลูกมันก็มันก็ไม่ไปไหนแค่ก็แค่ตรงนี้หมดปัญหาก็บวดตรงนี้อย่าไปโทษคนอื่นเขาด่ากขาว่าเราอย่าไปโทษเขาเขาไม่รู้เขาจึงพูดแล้วเขารู้เขาไม่พูดน่อสองสารเขาเขาพูดไม่ถูก